เสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับปฏิรูปหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนโลกไม่ทันแต่มีสิทธิ์เปลี่ยนชีวิตคุณได้ก่อนสายงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉคำนำสำนักพิมพ์หนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านซึ่งเขียนโดยคุณดังตริน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 ประพุทธศาสนาให้คำตอบเกี่ยวกับชีวิตไว้ละเอียดแจ่มแจ้งขนาดนี้ทีเดียวหรือที่คุณกำลังได้รับฟังเดี๋ยวนี้ก็คือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฮาวฟารวบเอาเนื้อหาสำคัญที่ผู้อ่านส่งเสียงสะท้อนมาว่าอยากรู้ที่สุดในรูปแบบที่กระชับที่สุดเพื่อให้จับฉวยเอาใจความสาคัญได้รวดเร็วที่สุดอ่านจบแล้วคุณจะเห็นด้วยกับเราว่า ไม่เสียดายที่ได้อ่านก่อนตายจริงๆลงชื่อสำนักพิมพ์ฮาวฟ้าคำนาบุกสมัยคงเหลือนักอ่านน้อยรายแล้วที่ไม่เคยได้ยินชื่อหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเพราะนอกจากความสะดุดหูสะดุดตาอย่างท้าทายของชื่อหนังสือยังมีเสียงร่ำลือบอกต่อกันถึงความน่าอัศจรรย์ที่หนังสือเล่มเดียว ส่งผลสะเทือนต่อวิธีใช้ชีวิตของผู้คนได้นับแสนสิ่งที่น่าทึ่งของหนังสือเล่มนี้คือไอเดียในการนำเสนอพระไตรปิฎกในรูปย่อให้น่าสนใจโดยการตอบคำถามที่ชาวบ้านอยากรู้ให้คนยุคใหม่เปิดใจรับสุดยอดแห่งสาระสำคัญในการเกิดมาเป็นมนุษย์กันง่ายขึ้นความสำเร็จของเสียดายคนตายไม่ได้อ่านไม่ได้อยู่ที่ยอดขายหลายแสนเล่มภายในเวลาอันสั้น แต่อยู่ที่การเป็นหนึ่งในงานบุกเบิกธรรมะเชิงรุกอันพุ่งเป้าไปที่การนำคนกลับมาหาพระกลับมาหาธรรมะที่พระสอนซึ่งจะมีผลในระยะยาวกับอนาคตของพุทธศาสนาในไทยบุกสมัยรู้สึกถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจเหตุผลของชีวิตอันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกและทางเราก็เชื่อว่าการปรับปรุงเสดายคนตายไม่ได้อ่านจนกลายเป็นฉบับปฏิรูปนี้ น่าจะมีบทบาทได้มากกว่าที่ผ่านมาโดยรูปภาษาและโครงสร้างเนื้อหาที่กระชับอ่านเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าหนังสืออย่างเล่มนี้และที่ผ่า น, านมาคือใจจริงที่จะบอกว่าบุกสมัยเป็นสุขกับการมีส่วนร่วมเผยแพร่หนังสือดีๆให้กับคนไทยทุกเพศทุกวัยในราคาประหยัดพิเศษเพื่อให้ชาวไทยทุกคนยิ้ม อ, อกกับการได้ครอบครองสมบัติล้ำค่าในราคาเหมือนได้เปล่า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 จากกันไปเธอได้จากไปแล้วโอกาสแก่ตัวหลุดลอยหายไปตอนยังมีลงหายใจไม่เคยสนใจชีวิตว่าจะรู้ว่าจะคิดได้กูสายไป คนตา ย, ยาเธอต้องจากกันไปโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่อ่านความจริงที่ซืบทอนบอดไว้